ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องหาคนเกลียดไม่เจอโดยสมนาทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่19ธันวาคม2548นาณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นับบัดนี้ ก่อนจะรู้ว่าแก้ความลำคาญไม่หายมันต้องรู้ก่อนว่าอะไรทำให้เราลำคาญไม่อย่างนั้นแก้ยังไงก็แก้ไม่จบหรอกเราก็แก้ลำคาญก็ไม่หายด้วยอันนี้ต้องพูดบ่อยเลยอย่างเช่นเราลำคาญเนี่ยโดยทั่วไปนะถ้าถ้าโดยสภาวะของปุถุชนนะสมมติอย่างที่พ่อท่านแบ่งไว้นะ มีปุถุชนมีกัลยาณชนมีอริยะชนเงี้ยมีอยู่สามชนเนี่ยแหละนะคุณชนแบบไหนท่านนะ่ะความลำคาญมันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าโดยปกติธรรมดาของคนทั่วๆไปก็คือปุถุชนอย่างแรกที่สุดเลยที่พอเราไปภาษะาปับ๊บเราจะต้องคิดก่อนอื่นเลยก็คือ ใครทําให้เราลาคาญฟังดูดีๆนะคือปุูุชนเนี่ยจะคิดก่อนเลยว่าเนี่ยอสมมุติว่านายกหรือนางงอเนี่ยเนี่ยทำอย่างเงี้ยทาให้เราลาคาญหรือไม่ต้องกับคนก็ได้บางทีไอ้ลิงตัวนี้หรือว่า ไ, ไอ้เจ้าสุนัขตัวนี้เนี่ยมันมาเหา่าหรือว่า มันมากัดเอา้ามันมาทำข้าวของหรือว่าหนูเอา้าหนูมาลื้ถังขยะไอ้หนูเนี่ยทำให้เราอน่าลาคาญไอ้หนูพวกนี้สติธรมธธรมดานี้สติแบบปุถุชนธรรมดาเนี่ยมันจะไปอย่างนี้เลยตามความเคยชินของเราแต่ถ้าเลื่อนขึ้นมานะคราวนี้ ถ้าเป็นกัญยาณชนสติแบบกัญยาณชนเนี่ยจะเริ่มละจะเริ่มไม่คิดแค่บุคคลละไอ้บุคคลนะด้วยแต่เขาจะเริ่มคิดดีๆขึ้นมากว่านั้นละนันแต่ว่าอะไรอย่างเช่นไอ้หนูนี่ใช่ไหมมันทําให้ลกคไอ้สุนัขตัวนี้มันทําให้มะขี่้สกปก ไอ้คนนั้นจู้จี้ขี้บน่นแต่พอพอคิดอย่างงี้แล้วเนี่ยก็รู้ว่าถ้าคิดอย่างนั้นต่อๆไปก็ยังไงก็มีแต่ยิ่งหงุดหงิดยิ่งลาคาญหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการราณชนเนี่ยจะเริ่มไม่คิดแต่บุมลบอย่างเดียวอย่างงี้ละเริ่มคิดบุมบวกเข้ามาบ้งนะางละนะอย่างเช่นอย่างเช่นว่าเอา คิดมุมดีของเขาบ้างเขามีมุมดีอะไรบ้างอ่านะหรือว่าอย่างหนูเงี้ยมันมาทําความสกรปรกมากัดแทะเข้าของเสียเงี้ยเราก็อาจจะเริ่มคิดเออวิธีแก้นี่จะทํำยังไงนะถ้าปูุ่ชนนี่อาจจะเดี๋ยวเอายามาเบื่อมันะเลย <c oughs> ปูุ่ชนจะไม่สนใจอะไรอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเป็นกระยาชนาะชนขึ้นมาก็เอ้ยจะไปฆ่ามันทีเดียวเลยก็ คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักอะ่ะคือเริ่มคิดอย่างที่มันมีคุณธรรมมีอะไรขึ้นมาด้วยคือไม่คิดแต่ในแง่ที่ว่าจะทําให้เราหงุดหงิดลำคาญเพียงอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้คิดโทษแต่เขาอยู่อย่างเดียวแล้วแต่คิดในแง่ที่ว่าจะป้องกันหรือว่าจะแก้ไขจะอะไรอย่างเงี้ยด้วยละหรือแม้แต่ถ้าไม่รู้จะแก้ยังไงนะ ก, าากัญญาณชนก็ช่างหัวมันเหมือนกันนะถ้าไม่รู้จะแก้อย่างไรก็ช่างหัวมันจริงๆแม่กัญญาณชนก็จะทำอย่างนั้นแต่ถ้าคราวนี้ถ้าเป็นระดับอาริยชนแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หยุดแค่นี้อะรู้ละปัญหาเกิดขึ้นภายนอกเนี่ยหนูตัวนั้นแมวตัวนี้รู้รู้ปัญหาละภายนอก แต่ถ้าเป็นอริยชนเนี่ยจะต้องสามารถจับจิตของตัวเองได้ว่าไอ้ที่เราหงุดหงิดเราลำคาดเราไม่ชอบใจเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเพราะกิเลส ต, ตัวที่อะไรลังเกียรติอึดอัดตัวไม่พอใจตัวไม่ชอบใจเพราะอันนี้ไม่ใช่เพราะหนูไม่ใช่เพราะสุนัขตัวนั้นแต่เพราะ เราเนี่ยแหมหน้าเบื่อหน้าลำคาญเดี๋ยวก็ต้องมาทําความสะอาดเดี๋ยวก็ต้องมาอะไรอ่ะปัดเช็ดถูหรือเดี๋ยวก็ต้องแหมต้องขยันมาดักมันแล้วก็เอามันไปปล่อยกระตามคืออย่างเงี้ยที่เราเนี่ยอึดอัดลำคาญเพราะแหมเดี๋ยวก็ต้องมาทําอีกแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทาอีกลมันไม่จบสักทีนะไอ้เรื่องนี้ หรือเดี๋ยวก็เจอคนนี้เอาคนนี้ก็มาพูดอย่างนี้กัแล้วแต่ถ้าเป็นอริยชนเนี่ยจะจับที่กิเลสตัวเองว่าเออไอที่เราลำคาญเนี่ยแล้วเราไม่ชอบใจเนี่ยเพราะเราไม่ชอบฟังมากเราไม่ชอบฟังซ้ำๆบางคนมาพูดเรื่องซ้ำๆกับเราหรือเราไม่ชอบให้ใครมาทำอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยแหละ แต่เป็นใจเราเนี่แหละที่ไม่ชอบฟังดูดีนะเพราะระดับอริยชนมันต้องเหนือกว่าปุรุชนแล้วต้องเหนือกว่ากัลยาณชนแน่เพราะันอริยชนเนี่ยพอจับตรงนี้ได้เนี่ยก็จะแก้ที่จิตของตัวเองเพราะจิตของตัวเองนะ่ะเป็นตัวที่ทำให้ อึดอัดลำคาญไม่ชอบใจเนี่ยก่อนส่วนเขาทำเนี่ยบางทีเขาทําซ้ําแล้วซ้ําอีกเพอเอนะไม่ใช่ครั้งไม่ใช่ครั้งแรกด้วยซ้ำแบบจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นจริตเขาด้วยเป็นนิสัยเขาด้วยยังหนูเนี่ยคุณไม่ให้มาหารับประทานได้เหรอมันก็ต้องเอาตัวรอดทั้งนนั่นก็ต้องมาหากินแน่นอนใช่ไหมละ่ะคุณคุณจะไปห้ามมันบอกห้ามมานะ เออมันเป็นไ ม, ไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องมาของมันอยู่แล้วอะ่ะหรือคนพูดมากอย่างเงี้ยกูจะห้ามบอกต่อไปนี้นะถ้าคุณเจอฉันนะคุณห้ามพูดมากเด็ดขาดจะไปห้ามได้ยังไงล่ะเ อ, อถึงห้ามยังไงเดี๋ยวบางทีเผลอเขาก็พูดมากอีกจ น, นได้แหละเพราะอันเนี้ยเราไม่มีสิทธิ์ไปห้ามอะไรอื่นเราถึงบอกห้ามจริงๆต้องห้ามใจเรา เพราะเราจะพ้นทุกข์ได้เพราะห้ามใจเรานะไม่ใช่พ้นทุกข์ได้เพราะห้ามปากเขาเพราะบอกแล้วว่าปากเขาในที่สุดแต่กูต้องเปิดปากเขาจนได้อ่ะกูจะให้เขาปิดปากตลอดได้ยังไงเพราะฉะนนั้อันนั้นยังไม่ใช่เป็นตัวแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นในของพุทธศาสนาเนี่ยใครที่จะเป็นอริยชนเนี่ยถึงบอกว่าต้องมาจับที่ต้นเหตุให้ได้เพราะต้นเหตุที่แท้จริงก็คือจิตของเราเอง ที่เราไม่ยินดีเราไม่พอใจเนี่ยเพราะจิตเราเอายึดอะไรนั่นบ้างไม่ชอบใจอะไ น, นี่บ้างนะหรือเนี่ยขี้เกียจบ้างนะขี้เกียจฟังบ้างเอาเดี๋ยวขี้เกียจมาไล่มันบ้างไล่หนูไล่อะไรเงี้ยนะเราเนี่ยขี้เกียจถ้าจับตรงนี้ได้เนี่ยคราวนี้ก็มาแก้ที่ตัวเราใช่ไหมสังเกตดูนะถ้าเรื่องไหนเนี่ย เรายินดีสังเกตดูเราพอใจเราชอบใจคุณก็ทําซ้ําแล้วซ้ําอีกก็ไม่เบื่ออะไรหรอกคุณก็ขยันทําจะสังเกตไหมยิ่งบางทีนะคนเขาโอ้โหเอาโน้ยเอานี่มาให้ทําอีกนะแต่มันเป็นของที่เราชอบอะ่ะคุณไม่ปฏิเสธเลยเออเอามาสิเอามาสิเดี๋ยวทาให้เดี๋ยวช่วยทําแม่โอ้คุณยิ่งชอบทําขยันทำใหญ่เลย <S <S <S คุณไม่เบื่อไม่เซ็ง เพราะนั้นเห็นไหมว่ามันอยู่สำคัญอยู่ที่จิตเราแล้วแก้อย่างเงี้ยแก้ที่กิเลสของเราโดยตรงเลยไม่ต้องไปแก้ที่คนอื่นเลยก็ได้เพราะถ้าแก้ที่ต้นเหตุตรง้นเหตุตรงนี้ได้แล้วไอ้ลูกโซ่สองสามเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเลยเพราะต้นตอนเนี่ยโดนดับแล้วเนี่ยไอ้ลูกโซ่ที่จะสองสามสี่อะไรมันก็โดนตัดขาดไปด้วยเลยแล้วคราวเนี่ย ถึงบอกว่าจะแก้ตัวลําคาญอย่างยิงก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุตรงนี้ถ้าใครไม่แก้ที่ต้นเหตุเนี่ยเราไปแก้ที่กลางเหตุหรือไปแก้ที่ปลายเหตุนะคนนั้นยังต้องแก้อยู่บ่อยๆแล้วก็ต้องอาศัยสิ่งภายนอกนั่นแนหะช่วยถ้าสิ่งภายนอกนั้นไม่ช่วยนะโอ้คนนั้นแก้กันจนตายตายแล้วก็เกิดใหม่อีกมาแก้อีกซ้าอยู่อย่างนั้นแหละจะไม่มีวันจบเลย แต่ถ้าเรามาแก้ที่ต้นเหตุที่จิตของเราได้แล้วนะัแก้ที่กิเลสของเราได้จบเลยถึงภายนอกนั่นแหะเราจะไปเจ อ, เอแมวหนูตัวไหนอะไรเงี้ยมันยังมาทําลายข้าวของอยู่เงี้ยยังเก่งคุณก็อ อ, อแหม่ก็น่าเสียดายของเสียไปมั่งอะไรไปมั่งแต่คุณไม่ค่อยทุกข์หรอกคุณไม่ค่อยมาลําคานไม่ค่อยมา ถือสาอะไรมากมายหรอกเพราะคุณรู้ว่าเอาปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องแก้แต่คราวนี้คุณจะแก้ด้วยอารมณ์ดีๆ ด, ด้วยแล้วก็ขยันที่จะแก้ด้วยไม่ขี้เกียจที่จะแก้ถ้าจิตเรายังไม่ถึงตรงเนี้ยมันจะขี้เกียจแก้นะเพราะน้าจะแก้แบบปุถุชนหรือจะไปใช้วิธีแก้แบบกัลยาณชนถึงบอกถ้าปุถุชนเหรออย่างงี้เหรอหนูอย่างงี้เหรอเอายาเบื่อหรือ ยิงมันทิ้งเลยหาอะไรมาจัดการไปเลยจะได้ให้มันตายๆไปใชแล้วก็จะได้สบายเราอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่ น, นี่คือสภาว่าจิตแบบปุถุชนคือจะแก้แบบวิธีง่ายๆอะ่ะที่เรียกว่าไม่ต้องคานึงถึงอะไรละเอาแค่ให้มันจบเร็วที่สุดเพื่อที่เราจะได้สบายแต่แก้อย่างง่าบอกแล้วเดี๋ยวฆ่าหนูตัวนี้ไปไอ้หนูตัวใหม่มันก็มา มันไม่หมดหรอกไปฆ่าหนูหมดได้ยังไงไม่มีทางเป็นไปได้หรือจะแก้แบบกลางๆ ก, ก็บอกแล้วเราจะขยันยังไงที่จะหาวิธีนะเอาต่อให้ดักหนูด้วยเอาไม่ฆ่ามันละเอาดีขึ้นมาละดักหนูเอาหนูไปปล่อยไม่ฆ่ามันพยายามดักเอาไปปล่อยดักเอาไปปล่อยแต่คุณดักมากๆเขาเดี๋ยวคุณก็อดไม่ได้หรอก เขาบอกแล้วว่า ม, มันไม่ได้มาแก้ที่ตัวจิตเราโดยตรงใช่ไหมคุณดักบ่อยๆเยอะคุณก็เบื่ออีกเพราะเบื่อไปเบื่อมาเดี๋ยวก็เอาแล้วคราวนี้นะเริ่มรุนแรงขึ้นเริ่มจะรุนแรงขึ้นแล้วเริ่มจะก้าวล้าเริ่มที่จะกำจัดมันอย่างเด็ดขาดแล้วเพราะในที่สุดแล้วก็ขี้เกียจเพราะว่าแก้ปัญหานี้แก้ไม่จบเพราะจะเอาแก้จบ คนแบบโลกโลกเนี่ยจะแก้จอบก็คือต้องเด็ดขาดกับมันไปเลยโอ้โหบางทีต้องฆ่าต้องดักแล้วก็ต้องทำลายหรือเพอเพอก็อะไรไงอะไรนะที่ทำให้มันเป็นหมันนะี <c> ่ย <oughs> เอาผลิตอะไรมาให้มันกินเสียจแล้วให้มันเป็นหมันไปเลยนะฉะนี่ที่เราไม่ต้องออกลูกออกล้านไม่ต้องไปสือเผ่าสือพันอะไรอีกต่อไปเลยโอ้โหนี่คิดไปถึงโน่นเลยแหละ เรียกว่าไม่ใช่กำจัดแค่ตัวมันนะกำจัดเผาพันเลยเอาให้ศูนย์ไปเลยนั่นแหละมันจะคิดแบบอะไรที่มันรุนแรงแล้วก็หนักข้อไปเรื่อยๆทั้งๆ ท, ที่อย่างนั้นจะต้องแก้ไหมไอ้ภายนอกภายนอกก็ต้องแก้เหมือนกันแต่มันแก้ด้วยจิตที่ไม่เหมือนกันถ้าเข้าสู่กระแสแล้วเนี่ยสู่ความเป็นอริยะ ได้เข้ากระแสนะยังไม่ต้องเป็นอริยะโดยเต็มตัวหรอกแค่จิตเราเข้ากระแสเนี่ยมันมีสัมมาทิฐิแล้วไปสังเกตดูเขาเนี้ยเวลาเราไปแก้ปัญหาอะไรเนี่ยเราจะเราจะเริ่มแก้แบบมีศีลเข้าไปจับแล้ววันวิธีที่คุณแก้คุณต้องไม่ผิดศีลเข้าใจไหมถ้าเป็นอริยะชนแล้วถ้าวิธีไหนคุณไปแก้โดยที่แก้โดยใช การกระทําที่ผิดศีลแล้ววิธีนั้นไม่ใช่อริยชนเพราะปู่จุชนเนี่ยจะไม่คํา น, นึงถึงเรื่องศีลเลยปู่จุชนนี่เขาซั์เต็มที่เลยว่าะจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะยังไงเขาไม่สนใจอยู่แล้วเพอเพอมีความสุขอย่งางถายอยู่เได้ฆ่าเนี่ยได้รุนแรงได้โอ้โหน่าสะใจได้สมใจเขาอย่างเงี้ย เพราะจะแบบว่าเอาเลยเต็มที่แต่ถ้าเป็นกัลยาณชนขึ้นมาเนี่ยเอยังรู้ผิดรู้ถูกขึ้นมาบ้างบ้างนะแต่ยังไม่สัมมาทิฏฐิจริงหรอกแต่รู้ขึ้นมาบ้างบางทีอาจจะเออก็รู้ข้อศีลอยู่นะรู้ข้อศีลอยู่ก็ก็พยายามอยู่แหละแต่บอกแล้วไม่ค่อยโอดทนหรอกแล้วก็ยังไม่เห็น อ, อะไร ต้นเหตุจริงๆของมันเนี่ยเมื่อไม่เข้าใจต้นเหตุจริงๆของมันน่ยส่วนใหญ่จะแก้ภายนอกถึงบอกว่าในที่สุดจะแก้ไปแก้มามันก็โอ้ยแก้อย่างนี้ไม่จบสักทีตูมเลยคราวนี้ก็จะต้องใช้ความรุนแรงจนได้แต่กัลยาณชนเนี่ยก็ยังดีว่าเอายังมีคุณธรรมอยู่ก็ยังคิดอะไรดีๆคิดเพื่อส่วนร่วมบ้างคิดเพื่อไอโนนไอนี่บ้างแต่เขาไม่สังเกตดูสิ เขายังไม่กลัวเท่าไหรหรอกที่จะทําอะไรที่รุนแรงลงไปอ่ะเห็นไหมเพราะในที่สุดก็ล ง, ลงเอ่ยด้วยการฆ่าจนได้ในที่สุดนะนะแม้ว่าบางทีเขาก็พยายามจะหลีกเลี่ยงเหมือนอย่างอาตมายกตัวอย่างจริงๆให้ฟังก็แล้วกันอย่างเช่นบางทีเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดสํำนักปฏิบัติทำเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าเลยนะอย่างเช่นมด เนี่ยมันมาขึ้นของขึ้นอาหารหรือว่าอะไรนะมอดใช่ไหมหมอดอยู่ในข้าวอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะต้องมาหุงข้าวอะไรอีกปลวกมันขึ้นบ้านอย่างเงี้ยหรือว่าพึ่งหรือว่าต่อตัวต่อทีมาอาศัยอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยนะอันตรายอะไรเงี้ยตัวอย่างของจริงเนี่ยมีมาแล้วเอาเราเคยมีรัน พึ่งหรือรังต่อเนี่ยมันเคยมาอยู่ที่ศาลาปฏิสัณฐานเก่าสมัยก่อนปรากฏว่ า, อวาโอ้โหตอนแรกก็รังเล็กๆไปๆมาๆโอ้โหลังบืเริ่มเลยเพราะไม่ได้ทำลายมันใช่ไหมไปๆ ม, มันก็โตขึ้นโตขึ้นรังใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนในที่สุดคราวนี้คนเดินผ่านบางทีมันก็จะโดนมันต่อยเอาละอ่า ก็ น, นี่ก็เลยคิดว่าเอยจะแก้ปัญหายังไงที่จะทําให้มันอะไรอ่ะย้ายหลังมันได้หรือว่าให้มันไปอยู่ที่อื่นได้พวกเราก็รู้สึกว่าเอ๊ไม่รู้จะทำยังไงนะหลายคนเสนอวิธีก็ก็คิดแล้วว่าเอ๊เดี๋ยวมันจะตายนะเดี๋ยวอย่างนั้นอย่างนี้นะก็เลยในที่สุดก็เลยไม่ได้ทําก็ปากรว่านูน่นอาศัยฝีมือคนที่อื่นมาช่วย เขาก็รับปากอย่างดีเลยก็บอกโอ้ยเขาทามาเยอะแล้วเดี๋ยวก็จัดการให้ก็ตอนแรกก็อ่ามาใช้ควันลมมันเนี่ยเพื่อหวังนี่จะให้มันหนีไปใช่ไหมก็บอกลมไปลมมาลมไปลมมาไม่สําเร็จเนี่ยลมไปลมมาไม่สําเร็จเลยโอโ้โหเขานี้เลยเผาเลยอ่ะแม่โอโ้โหพวกเรามารู้อย่างบอกตายแล้ว่ะนี่แหมอุตสาเชื่อมือนี บอกว่าก็หวังว่าจะแก้ปัญหาโดยสันติวิธีแน่ที่ไหนได้ไปไปออกมาเลยเล่นเผาทั้งรังเลยอ่ะซึ่งบอกแล้วว่าอย่างนั้นเราไม่สามนุนแล้วเราก็ไม่เห็นด้วยที่จะไปใช้วิธีอย่างนั้นอันนี้มันเป็นไปโดยสภาวะจิตนะงั้นคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งเรารู้กุศลรู้อกุศลรู้เรื่องรู้เรื่องกรรมเรื่องของวิบากกรรมอะไรมากขึ้นมากขึ้นแล้ว คุณไม่อยากไปทำอะไรที่มันเบียดเบียนที่มันไปทำร้ายทำอะไรใครแม้แต่เพียงแค่โอ้โหให้เขาจะต้องโกรธหรือว่าเขาถือสาอึดอัดลำคานอะไรเราก็ยังไม่อยากทำเลยถ้าเป็นไปได้แล้วเพราะอันนี้จิตของคนที่ปฏิบัติศีลได้ดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยก็จะคำนึงถึงพวกนี้มากถ้าเขาเข้ากระแสนะ ว่าจะไปทำเร็วทำร้ายจะไปรุนแรงจะไปถึงโอ้โหเล่นงานเขาให้บาดเจ็บหรือให้ถึงตายอะไรเนี่ยจิตจะไม่มีทำอย่างนั้นเลยเพราะจิตของผู้ที่เข้ากระแสจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเมตตาแล้วมันก็จะเห็นใจเขาด้วยนะว่าเอะเดี๋ยวเขาจะบาดเจ็บเดี๋ยวเขาจะอะไรอ่ะพิกลพิการใช่ไหม เพราะนั้นมันคิดแล้วเนี่ยมันรู้สึกทําไม่ได้ทําไม่ลงเยี่เป็นอย่างนั้นเลยไม่ใช่กลัวนะแต่เป็นความที่ว่าเมตตาเป็นความเห็นใจทําให้คิดถึงเหมือนกับใจเขาใจเราอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไม่อยากจะไปทําอย่างนั้นทงังทั้งที่บางทีนี่บอกแล้วถ้าแก้ปัญหาง่า ย, ายๆนั่นแหละ จะเอาไฟเผาหรือเอาอะไรมันก็แปบเดียวก็เสร็จแล้วหรือบางทียางเอเคมีอะไรใช่ไหมมาฉีด ๆ, ๆมันก็ตายเรียบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจิตเราเข้ากระแสจริงแล้วคุณทำไม่ลงอันนี้ให้ไปวัดดูจิตเราเองและคุณจะรู้ว่าจิตของเราเนี่ยกำลังเป็นปู่ทุชนหรือเปล่าถ้าเป็นปู่ปทุชนเนี่ยพอเราไม่พอใจไม่ชอบใจเราอึดอัดลาคาญขึ้นมาเนี่ยบอกได้เลยว่า ไม่มีการระงับยับยั้งอ่ะจะแสดงออกเลยอาการนี่จะออกเลยไม่มีการคุมอ่ะวัพ อ, พออาการขึ้นมาปั๊บนะคุณก็จะปล่อยออกไปเลยดา่าหรือไม่ก็ลงไม้ลงมือหรือจะขับไล่หรือจะอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะมีอาการอย่างนี้นจริงๆเกิดขึ้นตามจิตที่เป็นนะถ้า ถ้าเราเกิดไปมีอาการอย่างนั้นเราก็จะได้รู้เพราะโกหกตัวเราเองไม่ได้อยู่แล้วยิ่งโดยเฉพาะอย่างเคยเล่าให้ฟังเนี่บางทีเนี่ยเอาไม่ต้องอื่นใครเนี่ยยุงอย่างเงี้ยมานมังกัดเราอะบางทีก็โอ้มังกร์เสร็จเราก็แหม่ตอนแรกก็สติอริยชนนะมังกร์ดก็อาเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้เมตาก็ขึ้นความสงสารก็เกิด เ ป, าาเป่าใหญ่เลยเป่าใหญ่แล้วเป่าให้มันไป อ, าไปอ่าอันไปจริงๆเป่าเสร็มันก็ไปใช่ไหมพอเป่าไปเสร็จมันเหมือนกับยุงมันก็มันก็รู้ว่าไม่เบียดเบียมันไม่ทําร้ายมันนะนะเราเป่าไปสักพักเดียวก็มาอีกอ่ะอ้าก็มากัดอีกแล้วอา้าวกัดเสร็จแล้วก็อา้าเป่าอีกเป่าอีกคราวนี้อา้าว เอาครั้งที่สองเอามันก็ไปอีกอะเดี๋ยวมันก็กลับมากินอีกตาบได้มันยังไม่อิม <t> ่มมันมันไม่เลิกลาหรอกถ้ามันยังไม่อิ่มอะวันมันกลับมากัดอีกอะอ่าแล้วมันก็ดูดเลือดอย่างนั้นแหละใช่ไหมบางทีเนี่ยบางคนอะทนครั้งที่หนึ่งได้แต่ครั้งที่สองเอาไม่อยู่กันละบางคนทนครั้งที่สองได้ครั้งที่สามเอาไม่อยู่บางคนทนครั้งที่สามได้แต่ครั้งที่สี่เอาไม่อยู่ละอันนี้เนี่ยอยู่ที่ การฝึกจิตมาว่าเนี่ยจิตคนเนี่ยมีสภาวะเข้ากระแสได้ขนาดไหนถ้าเข้ากระแสมากก็มีเมตตามีอะไรพวกนี้สูงแล้วพอเมตตาสูงนี่แหละจิตมันก็เลยเป็นอริยะได้มากขึ้นเมตตาก็ไม่ใช่เมตตาแบบไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความรู้อะไรนะเมตตาแบบรู้ๆนี่แหละถึงบอกเนี่ยมันเบามันไป เดี๋ยวมันก็มาอีกมันแน่นอนดิก็ตราบใดอ่ะมันไม่อิ่มอ่ะจนมีบางครั้งเคยทดสอบทดลองบ้างแม่บางทีมากัดเนี่ยเอก็ปล่อยเลยจะซ้ํำไปมีพวกเราบางคนก็ฝึกเรอกัดได้ก็ให้มันกัดไปเลยก็ปล่อยให้มันกัดจนอิ่มอ่ะก็ดูรู้ได้ไงดูรู้สิทำไมจะไม่รู้อ่ะตอนแรกมาภูมิมันแฟบอ่ะมันกัดไปกัดไปจะพุงค่อยๆ ป, ป่องค่อยๆ ป, ป่องอ่ะ เออทำไมยังไม่รู้อ่ะอาจริงๆขนาดบางทีเนี่ยเห็นโอ้โหพูมันป่องมากแล้วนะเดี๋ยวกลัวมันจะพุงแตกสิ น, นะยังเคยเลยอ่ะใช่ไหมเซ็คคนนี้โอ้โหไม่ได้ต้องต้องไล่มันไปมึงเดี๋ยวมันกินมากเกินเนะี่ยคราวนี้เป่าไม่มันไม่ค่อยจะไปเลยนะมันไม่รู้มันหนักหรือเปล่าไม่รู้เฮลิคอปเตอร์ ter, จะจกบินไม่ขึ้นหรือเปล่าเอามีบางทีเนี่ยเป่าฟุบฟบฟ บ, ฟบเ อ, อไม่ค่อยไป บาทีไอ้เปาไม่ค่อยไปก็ใช้นิ้วบางนะก็ทีเคี่ยวๆหน่อยที่ดูที่มันจะไปไหมอ่แต่ถ้าคุณมีสติอยู่เนี่ยคุณก็จะค่อยๆเคี่ยวมันเบาๆถ้าคุณไม่มีสติคุณเคียเ่ยวแรงๆบางทีแตกดังพโพระเลยนะพุงมันแตกเลยอ่ะอ่ะพอเพราะนั้นยังบางทีพอเราเคี่ยวมันนะเออมันก็ไปแล้วคราวนี้ไปแล้วมันไม่มาอีกเลยถ้ามันอิ่มแล้วมันไม่มาอีกแล้วแล้วมันก็ไปหาที่พัก ที่หลับที่นอนมาแล้วมันอิ่มเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าจิตเรามีจริงมันก็จะเออเห็นสภาวะพวกนี้จริงใครมีคนนั้นก็รู้เองแล้วก็มีบางทีก็เหมือนหัวเต่าอ่ะบางทีก็หดเข้าบางทีก็ยืดออกหมายความว่าบางทีก็เมตตาดีบางทีก็ <c oughs> <c oughs> บางทีก็เอาเรื่องเหมือนกันเนี่ย <c oughs> เพราะว่ามันยังไม่เที่ยงเนี่ย คื อ, ค, อคือเราฝึกมาเนี่ยถ้ามันยังไม่เที่ยงมันเป็นจริงๆถึงบอกว่าบางทีมันทนได้ครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งไม่ยอมแล้วเนี่ยมันยังไม่เที่ยงแต่ถ้าใครเที่ยงแล้วมันจะกี่ครั้งมันก็เที่ยงไม่คิดเบียดเบียนไม่คิ ด, คดทำร้ายมันหรอกนี่นี่พูดในแง่เดียวนะั้นในแง่ของโทสะในแง่เชิงลาคาลในแง่เชิงที่แบบว่าไม่พอใจไม่ชอบใจเพราะฉะนั้นจะฝึกตัว ให้เลิกลำคาญใช่ไหมถึงบอกว่าเรารู้แล้วว่าเมตตาเนี่ยจะมาดับจะมาแก้วันเมตตาคือทํำยังไงบ้างอ่ะเมตตาเราจะต้องพิจารณาพิจารณายัางไงถึงจะเกิดเมตตาได้มากขึ้นกับสัตว์ทั้งหลายกับคนก็ตามทําไมพระุเจ้าต้องสอนให้มีการแผ่เมตตาคําว่าแผ่เมตตาไม่ใช่แปลว่าต้องมาท่อง สปเปสัตตาเวลาโหตุสัตทั้งหลาย <c oughs> ที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอ่านะอะไรนะอย่าได้มาเบียดเบียนช่วยกันแล้วกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอะไรต่ออะไรนั่นแหละยาวยืดเนะี่ยไม่ได้อยู่ที่คำสวดไม่ใช่อยู่ที่การสวด การแผ่เมตตาเนะี่ยคุณคุณไม่รู้บทนี้เลยก็ได้คุณสวดไม่เป็นเลยบทนี้แต่มันอยู่ที่ใจเราใจเราเนี่ยวังดีปรารถนาดีนะคิดดีๆกับสัตว์ก็ตามกับคนก็ตามได้นั่นแหละนั่นแหละคือการแผ่เมตตาคิดเห็นใจเขาคิดช่วยเหลือเขานะนั่นนั่นคือการแผ่เมตตา คุณไม่ต้องรู้บทสวดอะไรเลยก็ได้จริงๆผู้เจ้ามีสอนบทสวดที่บางทีนั่นแหละเขาที่เขาเอาไปใช้กันแหละเอาไปสวดท่องแผ่เมตตาแต่คนที่สวดแผ่เมตตาเนี่ยถ้าเป็นแบบปุถุชนหรือเป็นกันลยาณชนก็ตามเขาก็จะไปท่องบทสวดเมตตาเนี่ยบางทีก่อนนอนทุกวันเขาก็จะสวดใช่ไมไอตอนสวดเขาก็นั่นแหละ คือเขาเข้าใจว่าไอบ้บทสวดบทเนี้ยพอเขาท่องแล้วก็เท่ากับว่าเขาก็แผ่เมตตาให้กับสัตว์โลกทั้งหลายแหละสัตว์โลกทั้งหลายก็จะเป็นสุขละไอ้สัตว์ตัวไหนที่เป็นทุกข์อยู่พอเราสวดให้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะพ้นทุกข์ไม่จริงอ่ะอันนี้ไม่จริงอันนี้งมงายแม้ถ้าอย่างนั้นได้โอ้โหสวดอย่างนั้นได้ แหมป่านี้โลกนี้มีแต่ความสุขมีแต่ความร่มเย็นไม่มีใครทุกร้อนอะไรเลยนะ่แต่นี่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่บทสวดบอกแล้วเพราะฉั้นการแผ่เมตตา จ, จริงๆเนี่ยที่พู้เจ้าท่านถือว่าโอ้โหมีคุณค่ามหาศาลและมีบุญกุศลยย่งใหญ่อั น, นันเลยก็คือการที่จริงๆแล้วเนี่ยคือการที่เราเนี่ย จิตของเราเนี่ยกหนดขึ้นมาแล้วก็เนี่ยหวังดียิ่งโดยเฉพาะไม่ใช่คนที่เรารักไม่ใช่คนที่เราชอบไม่ใช่คนที่เราเคารพเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่เราเกลียดนั่นแหละชัดที่สุดเลยคนที่เรายิ่งไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คนที่เรายิ่งกลัวยิ่งถือสายิ่งลํำคาญด้วยนั่นแหละคุณต้องหัดแผ่เมตตา ทั้งต่อหน้าและรับหลังหัดเลยเอา้าเริ่มจากรับหลังทำไงแผ่เมตตารับหลังทำไงเนอะคิดสิเขามีดีอะไรบ้างเออ้เขามีตรงนั้นดีนะก็มีตรงนี้ดีนะอเออเออเออเออก็มีดีตั้งเยอะแนะ่หลายจุดแนะ่หลายเรื่องแนะ่หลายอย่างเนะนี่ยนี่แหละคือการแผ่เมตตา